พระไตรปิฎกเล่มที่เก้าพระสูตรที่หกมหาลิสูตรสมาธิทาให้เห็นรูปทิพเสียงทิพและการปฏิบัติที่ดีกว่าคือการบรรลุธรรมและพระสูตรที่เจ็ดชาลิยสูตรเรื่องชีวะกับสรีระสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณกุตคารสาลาในป่ามหาวันเขตกรุงเวสาลีเวลานั้น พระมนาทูตชาวกัวสนและชาวมคตจำนวนมากได้ฟังกิติศัพท์อันงามขจรของพระพุทธองค์จึงพากันเดินทางเพื่อไปเข้าเฝ้าแม้เจ้าอดทัตถลิชวีพร้อมด้วยเจ้าลิชวีผู้เป็นบริวารหมูใหญ่ก็เสด็จไปด้วยประสงค์จะเข้าเฝ้าเช่นกันสมัยนั้นท่านพระนาคิตะซึ่งเป็นหนึ่งในพระพุทธอุปัฏฐากผู้ดูแลถวายงานปรนนิบัติพระพุทธองค์ในเวลานั้น ได้บอกกับผู้ที่เดินทางมาว่าเวลานี้ไม่ใช่เวลาเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเพราะพระผู้มีพระภาคประทับหลีกเล้นอยู่ทั้งหมดจึงรออยู่ในที่อันสมควรต่อมาสามเณรสีหะซึ่งเป็นหลานชายของท่านพระนาคิตะเข้าไปหาท่านพระนาคิตะขอโอกาสให้หมู่ชนนั้นได้เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคบ้างท่านพระนาคิตะ จึงบอกให้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบซึ่งพระพุทธองค์ก็ทรงประทานโอกาสให้เข้าเฝ้าโดยเสด็จออกจากพระวิหารไปประทับนั่งบนอาสนะที่สามเณรสีหะจัดไว้ผู้เดินทางมาทั้งหมดได้นั่งลงณที่สมควรฝ่ายเจ้าอุดทัตติชวีร้อมด้วยเจ้าลิชวีผู้เป็นบริวารหมู่ใหญ่ทรงกราบพระผู้มีพระภาคแล้วกราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อหลายวันมาแล้วเจ้าสุนกตกระลิฤชวีบุตรเข้าไปพบข้าพระองค์แล้วบอกว่ามหาลิตลอดเวลาที่ข้าพระเจ้าอยู่ใกล้ชิดพระผู้มีพระภาคไม่นานเพียงสามปีได้เห็นรูปทิพย์อันชวนให้รักชักให้ใคร่าใจให้กำหนัดแต่ไม่ได้ยินเสียงทิพย์อัญชวนให้รักชักให้ใคร่าใจให้กำหนัดข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เสียงทิพย์อัญชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำนัดที่เจ้าสุนัขขตตะลิชวีบุตรไม่ได้ยินนั้นมีจริงหรือไม่มีจริงพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่ามหาลิเสียงทิพย์อัญชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำนัดที่เจ้าสุนัขตะลิชวีบุตรไม่ได้ยินนั้นมีอยู่จริงไม่ใช่ไม่มีเจ้าอททัตะลิชวีทูลถามว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้เจ้าสุนัขตลิชวีบุตรไม่ได้ยินเสียงทิพนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่ามหาลิภิกษุในธรรมวินัยนี้เจริญสมาธิเฉพาะส่วนเพื่อเห็นรูปทิพแต่ไม่เจริญสมาธิเพื่อให้ได้ยินเสียงทิพข้อนั้นเธอจึงเห็นแต่รูปทิพแต่ไม่ได้ยินเสียงทิพ มหาลิภิกษุในธรรมวินัยนี้เจริญสมาธิเฉพาะส่วนเพื่อให้ได้ยินเสียงทิพ์แต่ไม่เจริญสมาธิเพื่อให้ได้เห็นรูปทิพ์เธอจึงได้ยินแต่เสียงทิพ์แต่ไม่ได้เห็นรูปทิพ์มหาลิภิกษุในธรรมวินัยนี้เจริญสมาธิทั้งสองส่วนเพื่อให้ได้เห็นรูปทิพ์และให้ได้ยินเสียงทิพ์เธอจึงได้เห็นรูปทิพ์และได้ยินเสียงทิพ์ มหาลิมิลาเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้สุนัขขตะลิชวีบุตรไม่ได้ยินเสียงทิพย์อันชวนให้รักชักให้ใกล้พาใจให้กำหนัดซึ่งมีอยู่จริงไม่ใช่ไม่มีนั้นเจ้าโอทัตทะลิชวีกราบทูนว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุประพฤติปรมาจันในพระผู้มีพระภาคข้อนี้หมายถึงการบวชประพฤติธรรมในศาสนาของพระผู้มีพระภาค คจะมุ่งบรรลุสมาธิภาวนาทั้งสองนั้นเป็นแน่พระผู้มีพระภาคตรัสว่ามหาลิไม่ใช่ภิกษุจะประพฤติปรมาจักรในเราเพียงเพื่อบรรลุสมาธิภาวนาทั้งสองนี้เท่านั้นแท้จริงยังมีธรรมะอื่นที่ดีกว่าและประณีกว่าที่ภิกษุประพฤติปรมาจักรในเรามุ่งจะบรรลุเจ้าออทัถะลิชวีทูลถามว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญธรรมะที่ดีกว่าและประนีตกว่าที่ภิกษุประพฤติปรุงมัจจา์ในพระผู้มีพระภาคมุ่งจะ บ, บรรลุนั้นคืออะไรพระผู้มีพระภาครัสตอบว่ามหาลิภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นโสดาบันเพราะลักสังโยชน์ได้สามอย่างไม่มีทางตกตำ่ำสังโยชน์หมายถึงกิเลสที่ผูกมัดใจสัตว์ ธรรมะที่มัดใจสัตว์ไว้กับทุกข์มีสิบอย่างคือสักยะทิฏฐิวิจิกิจฉาสิลป ะ, ะตะปรามาตกามฉันทะหรือกามราคะพยาบาทหรือปฏิฆะรูปราคะอรูปราคะมาณนะอุทธะอวิชชาเพราะละสังโยชน์ได้สามอย่างไม่มีทางตกตำ่ำมีความแน่นอนที่จะสำเร็จสัมโพธิในวันข้างหน้า ในที่นี้หมายเอามักสามเบื้องสูงคือสกทาคามิมกักอนาคามิมกักและอรหัตตมักธรรมะนิลลาดีกว่าและปราณีกว่าที่ภิกษุประพฤติกรมจรนในเรามุ่งจะบรรลุยังมีอีกมหาลิภิกษุเป็นสกัทาคามีเพราะละสังโยดได้สามอย่างบันเทาราคะโทสะและโมหะให้เบาบางได้มาสู่โลกนี้อีกเพียงครั้งเดียว ก็จะทําที่สุดแห่งทุกธรรมะนิแลดีกว่าและปราณีกว่าที่ภิกษุประพฤติพรหมจรรย์ในเรามุ่งจะบรรลุยังมีอีกมหาลิภิกษุไปบังเกิดเป็นโอปปติกะในที่นี้หมายถึงไปเกิดในสุทาวาสพบใดพบหนึ่งเพราะละสังโยชน์เบื้องต่ำได้ห้าอย่างปริณิพาในพบนั้นไม่หวนกลับมาจากโลกนั้นอีกธรรมะนิแล ดีกว่าและประนีกว่าที่ภิกษุประพฤติพรมจรรย์นในเรามุ่งจะบรรลุยังมีอีกมหาลิภิกษุทําให้แจ้งเจโตวิมุตติและปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันธรรมนิแลดีกว่าและประนีกว่าที่ภิกษุประพฤติพรมจรรย์นในเรามุ่งจะบรรลุมหาลิ ธรรมะเหล่านี้แลทั้งดีกว่าและประนีกว่าที่ภิกษุรประพฤตษโภมาจรรันทร์ในเรามุ่งจะบรรลุเจ้าอดทัต ะ, ะลิจวีทูนถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมีทางมีข้อปฏิบัติเพื่อบรรลุธรรมเหล่านั้นอยู่หรือและข้อปฏิบัติเพื่อบรรลุธรรมเหล่านั้นเป็นอย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่ามีอยู่ ได้แก่มกักมีองค์แปดอันประเสริฐเหล่านี้คือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความดําริ ช, ชอบสัมมาวาจาเจรจาชอบสัมมากรรมันตะกระทมชอบสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพชอบสัมมาวายามะพยายามชอบสัมมาสติระลึกชอบและสัมมาสมาธิตั้งจิตมั่นชอบ นี้แหละคือทางนี้คือข้อปฏิบัติเพื่อบรรลุธรรมเหล่านั้นเนื้อหาต่อไปนี้เป็นอีกพระสูตรคือชาลิยาสูตรว่าด้วยปริพาชกชื่อชาลิยะเรื่องนักบวชสองรูปซึ่งพระพุทธองค์ตรัสให้เจ้ามหาลิฟังด้วยเนื้อความซ้ำกับสูตรต่อไปทั้งหมดจึงนำมารวมกันไว้ในที่เดียวนะครับ มหาฤตสมัยหนึ่งเราอยู่ที่โคศิตารามเขตกรุงโกสัมพีมีนักบวชสองรูปคือมัญทิยาบริภาชกและชาลิยาบริภาชกซึ่งเป็นศิษย์ของพวกทารูปปติกาตคือนักบวชผู้นิยมใช้บาทไม้เข้าไปหาเราถามเราว่าท่านพระโคโดมชีวะกับสรีระเป็นอย่างเดียวกันหรือว่าชีวะกับสรีระเป็นคนละอย่างกัน ชีวะในที่นี้หมายถึงวิญญาณอมตะหรืออัตมันเราตอบว่าผู้มีอายุตถาคตอุบัติขึ้นมาในโลกนี้เป็นพระอระหันต์ตรัสรู้ด้วยตนเองโดยชอบในส่วนนี้ข้อความเต็มเหมือนในสามัญญพ ล, ลสูตรนะครับผู้มีอายุภิกษุชื่อว่าสมบูรณ์ด้วยศีลเป็นอย่างนี้แลบรรลุปฐมฌานอยู่ผู้มีอายุ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 เรารู้เราเห็นอย่างนี้แต่ก็ไม่กล่าวว่าชีวะกับสรีระเป็นอย่างเดียวกันหรือว่าชีวะกับสรีระเป็นคนละอย่างกันภิกษุบรรลุทุติยฌานอยู่บรรลุตติยฌานอยู่บรรลุจตุตะตะฌานอยู่น้อมจิตไปเพื่อญาณทัศนะรู้ชัดว่าไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปผู้มีอายุ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 จบมหาลีสูตรและชาลยสูตร